หลักการที่พึงยึดเป็นแบบในการปฏิบัติสอย่าง 1. บริกรรมภาวนาจะเลือกแบบใดก็ได้ที่ถนัด 2. การใช้สติปัญญาพิจารณาเธอรู้เรื่องกายใจรู้เรื่องอภิธรร ม, มามากเอาอภิธรรมมาเป็นเครื่องรู้ของจิตเครื่องระลึกของสติก็ได้ ถ้ามีคล่องในเรื่องธรรมะก็เอาวิชาการที่เรียนมาที่รู้มาคล่องแล้วมาเป็นอารมณ์พิจารณาในเบื้องต้นจะช่วยให้การพิจารณาของเราคล่องตัวขึ้น 3. การกำหนดรู้โดยที่เราตั้งใจกำหนดรู้ลงที่จิตทำจิตให้ว่างอยู่ชั่วขณะหนึ่งโดยธรรมดาของจิต เมื่อเราตั้งใจกำหนดลงเราจะเกิดความว่างก็กำหนดดูที่ความว่างเมื่อจิตว่างสักพักความคิดย่อมเกิดขึ้นให้ทำสติตามรู้ความคิดนั้นเพียงสักว่ารู้อย่าไปช่วยมันคิดอะไรเกิดขึ้นกำหนดรู้เช่นคิดถึงสีแดงก็เพียงแต่รู้ว่าสีแดง ไม่ต้องไปคิดว่าสีแดงคืออะไรหรือหากว่าจิตมันคิดไปโดยอัตโนมัติของมันเราทำสติตามรู้ทุกระยะอย่าเผลอในทำนองนี้จะเป็นอุบายทำให้จิตรู้ทันอารมณ์จะกลายเป็นมหาสติเมื่อฝึกให้มากจนกลายเป็นสตินสีพอกระทบอะไรขึ้นมา จิตจะค้นคว้าพิจารณาเองโดยอัตโนมัติโดยที่เราไม่ได้ตั้งใจจิตจะอยู่เหนืออารมณ์จะเหนียวเอาอารมณ์หรือกิเลสมาใช้ประโยชน์ได้กลายเป็นสติวินโยเป็นสติตัวรู้สติตัวรู้สึกสํานึกหรือสติเป็นตัวการจะเกิดสติสัมปชัญญะ เป็นสายสัมพันธ์สืบต่อกันตลอดเวลาแม้หลับก็รู้สึกว่าเหมือนนอนไม่หลับเพราะสติไม่ขาดตอนมันจะคอยจดจ่ออยู่ที่จิตตลอดเวลาอะไรเข้ามาถ้ายังไม่รู้แจ้งจะยึดเอามาพิจารณารู้แจ้งแล้วก็วางเฉยเวลาทำการงาน สติตัวนี้จะคล้ายๆว่าตัวรู้ปรากฏอยู่ในท่ามกลางแห่งสวงอกส่วนที่ส่งกระแสออกไปทำงานมันก็ทำงานของมันอยู่ตลอดเวลาถ้าทำสมาธิมีสติปัญญารู้แจ้งเห็นจริงดีแล้วเราจะสามารถเอาพลังแห่งสมาธิไปสนับสนุนนำไปใช้งานทุกประเภทได้ นักเรียนกลับถึงที่พักเสรจธุระแล้วให้หนำเรื่องที่เรียนวันนั้นมาทบทวนคิดไปคิดมาคิดด้วยความตั้งใจค้นคว้าพิจารณาเป็นการทบทวนความจําจะเกิดเป็นสมาธิและทำให้เรียนเก่งบางคนเอาพลังสมาธิไปช่วยสร้างเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ได้หรือนำมาพิจารณาแก้ไขปัญหาชีวิตแก้ปัญหาหัวใจ แก้ปัญหาในการงานได้ทุกอย่างนี่คือประโยชน์ของสมาธิที่ส่งผลดีทั้งความเจริญทางโลกและทางธรรมที่สามารถทำได้ในชีวิตประจำวันของทุกคนสรุปเนื้อหาที่สำคัญจากหนังสือสัมมาสมาธิของหลวงพ่อพุท ธ, ธานิโยโดยอริยคุณเพื่อการฟังทบทวนเท่านั้น ต่ถ้าต้องการอ้างอิงควรนำมาจากเนื้อหาหลักจากหนังสือเท่านั้นนะครับ